ร่างกายของเราเกิดมาจากวิญญาณของเราจริงๆสมดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระนลว่าดูก่อนอานน์ถ้าวิญญาณจะไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานา ม, มารูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือพระนลทูลตอบว่ามิได้พระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุนี้แหละอา น, น์เราสถาคตจึงได้กล่าวว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปพุทธพจน์บทนี้มีอยู่ในมหานิทานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบหน้าเจ็ดสิบสี่หนึ่งในบาลีอักันยสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดหน้าแปดสิบเจ็ดพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์พวกแรกนั้นมาจากพรหมอภัสระพรหมพวกนี้เป็นโอปปฏิกะมีกายทิพ พอเหินเดินอากาศได้ท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆได้และในที่สุดพวกพรหมเหล่านี้ก็ได้มาพบโลกนี้ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีมนุษย์แต่พวกพืชต่างๆมีแล้วส่วนสัตว์จะมีหรือไม่ในคำภีรไม่ได้กล่าวถึงพวกพรหมเหล่านี้เมื่อได้มาเห็นโลกนี้แล้วก็ชอบจึงได้อาศัยอยู่ในโลกนี้มาเป็นเวลานาน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 และในเมื่อความเข้าใจเรื่องนี้ตั้งต้นได้แล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ท่านก็จะเข้าใจด้วยตัวของท่านเองว่ากายเนื้อก็คือกายทิพย์ที่หยาบนั่นเองอันหนึ่งขอได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาผู้ที่มีทิพยพยาจากักษุในขั้นสูงและสามารถรึกชาติได้ด้วยนั้นสำหรับบุคคลประเภทนี้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 เด็กคนนี้เมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็สามารถที่จะมองเห็นและวาดภาพออกมาได้ในทำนองเดียวกับคนที่เคยรู้มาแล้วว่ามเมล็ดส้มโอมเมล็ดส้มเกลี้ยงเมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรสามารถวาดภาพออกมาได้ทั้งๆที่ในขณะนั้นยังเป็นเพียงมเมล็ดอยู่ก็าตาม การที่เราทำได้เช่นนี้ก็เพราะเคยเห็นต้นส้มโอและต้นส้มเกลี้ยงมาแล้วเราจึงนึกวาดภาพได้ถูกต้องจากความจำที่เคยผ่านมาแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในกรณีของคนที่กำลังเกิดนั้นขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าไม่ใช่เป็นการนึกวาดภาพออกมาโดยอาศัยรูปร่างของพ่อแม่เป็นหลัก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 คือในขณะที่เป็นโอปะปะติกะก่อนที่จะมาเกิดในท้องแม่ก็มีลักษณะอย่างหนึง่งหรือถ้าจะนึกย้อนหลังไปดูชาติก่อนแต่ละชาติไม่ว่าจะเป็นในชาติที่เป็นโอปปฏติกะหรือในชาติที่เป็นคนก็ตามต่างก็จะมีลักษณะไปคนละแบบแต่ในเมื่อวิญญาณได้มาปฏิสนธิในท้องแม่แล้ว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 กายทิพย์ที่เกิดใหม่ก่อนที่กายเนื้อจะตายก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับกายเนื้อที่ตายข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากายเนื้อกับกายทิพย์มีความสัมพันธ์กันและขอให้นึกถึงตัวเราในขณะที่ฝันก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกับกายเนื้อแต่ในบางครั้ง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 ปรากฏออกมาในลักษณะนี้ก็ต้องใช้เวลานา น, านตามสมควรจะให้รวดเร็วเหมือนกับกายทิพย์ที่ยังเป็นวโนภาพอยู่นั้นย่อมไม่ได้อยู่เอง 2. การปรากฏของกายทิพย์ออกมาเป็นวัตถุที่เห็นได้ชัดอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมและเป็นแบบธรรมชาติจริงๆก็คือในเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่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 มันมีกรรมวิธีอย่างเดียวกับการสร้างบ้านจะแตกต่างกันแต่เพียงว่าเครื่องมือในการก่อสร้างเครื่องอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างได้มีพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องสอดแสวงหาจากที่อื่นและการก่อสร้างนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งทางนี้ก็สุดแล้วแต่สภาพของชีวิตแต่ละชีวิต มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นจะสําเร็จขึ้นมาหลักที่สําคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาให้เข้าใจอย่างแจ้งแจ้งก็คือในเมื่อวิญญาณจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประเภทไหนและในภูมิไหนการสร้างของวิญญาณก็จะต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม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 และในธํานองเดียวกันในชาตินี้เราเกิดเป็นคนและเมื่อตายจากคนไปเกิดเป็นโอปปติกะซึ่งมีรูปร่างเหมือนคนแต่ถ้าหากในขณะที่กำลังจะจุติจากชีวิตโอปะปะติกะจิตเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาและแล้วต้องมาปฏิสนธิในท้องของสัตว์ในโลกมนุษย์เราก็จะเห็นว่า ร่างกายของเราที่เกิดใหม่นี้ก็จะต้องมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับสัตว์ผู้ให้กำเนิดนี่คืออิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดลอ้อมซึ่งรวมทั้งอิทธิพลของกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่างๆในภมูนภมินั้นด้วยอันหนึ่งถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีท่านก็จะพบอีกว่าในโลกมนุษย์นี้เองกฎเกณฑ์ของชีวิตแต่และประเภท ซึ่งถ้าพูดตามหลักในทางศาสนาก็คือกฎเกณฑ์ของตลาละภูมินั้นก็ยังไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่อยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันเช่นสภาพชีวิตของคนกับของสัตว์ก็มีอะไรหลายอย่างแตกต่างกันซึ่งเราจะต้องศึกษาจึงจะรู้แต่บางอย่างก็เหมือนกัน ถ้าหากเรามีความรู้ในเรื่องชีววิทยาอย่างกว้างขวางประกอบด้วยแล้วเราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยว่ากายเนื้อก็คือกายทิพที่หยาบหรือพูดอีกในหนึ่งกายทิพก็คือพลังงานที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสสารแต่ละชนิดนั่นเอง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 อาหารที่คนในโลกมนุษย์ให้เขา น, านั้นความเป็นจริงก็ยังคงมีอยู่ในโลกมนุษย์แต่ในเมื่อเราเข้าสมาธิไปดูเราก็จะพบว่าอาหารอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ได้มีอยู่ที่โอปปาติกะเราจะเห็นเขากำลังกินอาหารอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งที่ความจริง อาหารนั้นเกิดจากใจคือเกิดจากตัณหาอุปาทานเกิดจากวิบากของเขาเองและในทํานองเดียวกันร่างกายของพวกโอปปาติกะซึ่งเป็นกายที่เกิดใหม่จากใจของเขาเองซึ่งถึงแม้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างเดียวกับร่างกายในโลกมนุษย์ในตอนที่ใกล้จะตายก็ตามแต่เราก็รู้แน่นอนว่า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 ถ้าเราสามารถติดต่อกับพวกโอปปปฏิกะได้โดยวิธีเข้าสมาธิเราก็สามารถที่จะเห็นโอปปปฏิกะได้เหมือนกับที่คนอื่นเห็นในเมื่อผู้นั้นก็มีสมาธิดีเหมือนกันและโอปปปิกะที่มีความรู้ก็สามารถที่จะให้คาแนะนำต่างๆได้เหมือนกับเราไปหาผู้รู้ที่เป็นมนุษย์ ซึ่งจะสามารถให้ความรู้ได้ต่างๆตามที่ท่านมีอยู่และตามที่เราต้องการผู้ที่จะต่อกับโอปปะปิกะได้จะรู้สึกว่าการสนทนากับโอปปะปิกะกับการสนทนากับคนในโลกมนุษย์ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันจนกระทั่งในบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอปปะปิกะก็คือมนุษย์นั่นเองอันหนึง่ง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 วัตถุทุกอย่างล้วนแต่เอากําเนิดมาจากวิญญาณทั้งสิ้นหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าเนื้อแท้ของวัตถุก็คือวิญญาณนั่นเองหรือจะพูดว่าวัตถุก็คือการปรากฏตัวของวิญญาณในสภาพที่หยาบคําพูดเหล่านี้ให้ท่านเลือกเอาทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันหรือใช้แทนกันได้ถ้าเข้าใจหลักต่างๆดังที่กล่าวมานี้ดี ท่านก็จะหมดปัญหาว่าวิญญาณสร้างกายทิพย์โดยไปเอาวัตถุมาจากไหนซึ่งคาตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ได้เอามาจากไหนเลยวิญญาณสร้างขึ้นมาเองและคำว่าวิญญาณสร้างในที่นี้หมายความว่าวัตถุนั้นเกิดมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานและจากวิบากต่างๆซึ่งมีอยู่ในวิญญาณ วัตถุที่เกิดขึ้นนี้จะออกมาในรูปไหนมีลักษณะอย่างไรจงี่ยมขึ้นอยู่กับวิชาตัณหาอุปาทานและวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณนั้นๆอันหนึง่งข้อที่ว่าวัตถุเกิดมาจากวิญญาณเช่นร่างกายของเราก็กำเนิดมาจากวิญญาณของเราดังนี้เป็นต้นอันนี้อาจจะเข้าใจได้โดยไม่ยาก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 ข้อพิสูจน์ที่จะแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความรู้ดังที่กล่าวมานี้ก็คือร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดร่างกายได้เกเิดมาจากความสามารถในส่วนลึกของมิ ญ, ญาณขอให้พยายามพิจารณาข้อนี้ให้เข้าใจโดวยวิธีการเปรียบเทียบซึ่งเริ่มจากนึกถึงตัวเราในความฝันและเหตุการณ์ทุกอย่างในความฝัน และแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีกถึงตัวตนของเราในขณะที่กำลังจะตายและนึกถึงคนที่ได้มโนโมยิทิซึ่งสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้และนึกถึงชีวิตของโอปปะปติกะและสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกของโอปปะปติกะเมื่อค่อยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เข้าใจไปอย่างดีแล้วเราเาใจเห็นได้ชัดทีเดียวว่า วัตถุทุกอย่างได้เอากำเนิดมาจากวิญญาณจริงบทที่18อย่าหลงเชื่อประสาทสัมผัสแต่อย่างไรก็ดีปัญหาอุปสรรคสำคัญยังมีอีกที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวคือเมื่อเอ่ยถึงวิญญาณเราส่วนมากก็นึกทันทีว่าวิญญาณก็คือจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณ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 และความรู้สึกนึกคิดในใจและอีกอย่างเมื่อเราสังเกตดูสิ่งต่างๆที่ไร้ชีวิตเช่นก้อนอิฐก้อนหินก็มองเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดดังที่กล่าวมานี้เลยวัถตถุต่างๆไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามันมีชีวิตและในทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าวัถตถุต่างๆไม่มีชีวิตโปรดสังเกตว่า การที่นักวิทยาศาสตร์หรือคนทั่วไปเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟหรือส า, สารพลังงานต่างๆไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณก็เพราะใช้ความรู้ทางประสาทสัมผัสเป็นเครื่องตัดสินแต่ส่วน ท, ที่รู้ความจริงว่าวัตถุก็มีวิญญาณนั้นเขาใช้ความรู้ในทางประสาทสัมผัส เพียงเป็นสื่อสำหรับที่จะถ่ายทอดความรู้ภายในออกมาเท่านั้นเขาไม่ได้ยึดมั่นและเชื่อถือความรู้ที่เกิดมาจากทางประสาทสัมผัสเหมือนคนทั่วไปแต่เขาเชื่อถือความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสและความรู้จากภายในนั้นมีทุกสาขาหรือพูดอีกในหนึ่งว่าความรู้จากภายในนั้น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 ก็ล้วนแต่เชื่อถือและยึดมั่นในความรู้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าสมาฮิโตภิกเวยะถาภูตังปชานาติแปลว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงและครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระพาหิยะว่า ดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นอะไรก็จงสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินอะไรก็จงสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้อะไรก็จงสักแต่ว่ารู้แล้ววิญญาณจะไม่ตั้งอยู่ในภพไหนไหนนั่นแลคือที่สุดแห่งทุกข์พระพาหิยะซึ่งในขณะนั้นยังเป็นคารวะอยู่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นนี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์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 บทที่สิความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเขาพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าการแสวงหาความรู้เพื่อที่จะให้ทราบถึงความจริงของชีวิตรวมทั้งสิ่งต่างๆในโลกนั้นเราจะอาศัยความรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวไม่ได้เพราะประสาทของคนเรามีประสิทธิภาพจํากัดถึงแม้ทางวิทยาศาสตร์จะสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมา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 อภินยาแปลว่าความรู้ชั้นสูงหรือความรู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือประสาทสัมผัสอภินยามีอยู่หกอย่างคือหนึ่งอิทธิวิธิการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเช่นการเนรมิตกายทิพย์ขึ้นมาและสามารถจะไปไหนมาไหนได้ด้วยกายทิพย์ซึ่งไปได้รวดเร็วเท่าใจนึกและปลอดภัย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 เสมือหนึ่งเรารู้ความรู้สึกนึกคิดในใจของเราด้วยใจของเราเอง 4. บุเพนิวาสานุสติญาญญาณที่ทําให้เราลึกชาติได้ซึ่งผู้ที่สําเร็จญาณ น, นี้สามารถที่จะรู้ถึงอดีตชาติของตัวเองและถ้าต้องการรู้ถึงอดีตชาติของใครก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วย 5. จุตูป ป, ปตาตญาณ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 ยานที่ทําให้เกลเลตต่างๆที่มีในสันดานหมดสิ้นไปผู้ที่สําเร็จยานนี้ก็คือพระริยาบุคคลทั้งหลายนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระรหรันผู้ที่สําเร็จยานนี้เท่านั้นจึงจะสามารถสร้างเรื่องของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งเพราะผู้ที่บรรลุถึงยานนี้จะสามารถรู้ถึงที่สุดของชีวิตคือ น, นิพพาน และด้วยการรู้แจ้งถึงนิพพานนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้เข้าใจถึงความเกิดและวิวัฒนาการของชีวิตตลอดสายจงกระทั่งไม่มีอะไรที่สงสัยอีกต่อไปและสามารถเอาชนะความทุกข์ได้หมดทุกอย่างไม่มีเหลืออาภิญยาทั้งหกดังที่กล่าวมานี้อย่าลืมว่าเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัส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 ผู้ที่สามารถฝึกจิตไดถึงขั้นนี้เท่านั้นจึงจะสามารถมีภัญญาเกิดขึ้นมาได้ซึ่งจะมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสมาธิและวิปัสสนาและขึ้นอยู่กับบุญบรารมีที่สะสมอบรมไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆด้วยอันหนึ่งในบทสวดมนต์ทำวัดเชา้าซึ่งเป็นบทที่สรรเสริญพระพุทธเจ้า มีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าโยอิมังโลกังสเทวากังสมารกังสภามกังศัสสะสมณพราหมณิงประชังสเทวามนุษสังสยังอภิญญาสัชิกัตตวะเปเวเทสิโยธรรมังเทเสสิอาทิกลยาณังมัชเชกลยาณังปริโยสานะกลยาณัง ศาสถังสัพยัญชนงังเกวราปริปุนงังปริสุทธังพระมจรยิยังประกาศเสสิตามาหังพักวันตังอภิปูชยามิตามาหังพักวันตังศิรษานมามิแปลว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกระทำให้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยอภิญยาแล้วจึงทรงประกาศให้โลกนี้รู้ พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกและพรหมโลกทรงสั่งสอนหมูสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีทั้งสมณะและพรามเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะ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 เพราะเป็นการรู้ด้วยอภินยาต่างๆดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าความรู้ของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างๆซึ่งรวมทั้งชีวิตในโลกของโอปะปะติกะด้วยนั้นเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสและเป็นความรู้ที่แจ่มแจ้งมากพระองค์ทรงสแสวงหาความรู้โดยวิธีนี้ส่วนคนทั่วไป ไม่ได้แสวงหาความรู้โดยวิธีนี้อาศัยแต่ความรู้ที่เกิดจากทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวด้วยเหตุนี้จึงทําให้รู้สึกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันผิดจากที่ตนเองเคยรู้เคยเห็นมาอย่างมากมายและอีกอย่างเราก็ยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสไม่ยอมรับว่า ความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสทั้งที่ความรู้ที่ว่านี้ทุกคนสามารถจะแสวงหาได้ถ้าหากได้พยายามฝึกสมาธิไปด้วยพ ร, พร้อมกับการเรียนความรู้จากภายในนี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็จะต้องได้สมาธิขั้นสูงเข้าสวรวันหนึ่งครั้นแล้ว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 เขาจะไม่กล้าตำหนิคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเป็นอันขาดถึงแม้คาสอนนั้นรู้สึกว่าจะเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตามคนที่กล้าคัดค้านข้อความในคำภีส่วนมากเป็นเพราะไม่ได้ศึกษามาอย่างรอบคอบหรือไม่ก็เป็นเพราะสติปัญญาของตัวเองไม่ลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของข้อความในคมภี